เป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งในระดับหนึ่งแต่ตามที่จริงถ้าหากว่าพวกเราจะรักษาอุโบสถศีลทุกวันพระก็ะไม่เห็นจะเสียหายที่ตรงไหนแต่ตามไม่จริงก็ไม่ขาดรายได้อะไรเพียงเสียสละวันเดียวเพื่อจะแสวงหาอาหารทางด้านจิตใจส่วนอาหารทางโลกอาหารทางปัจจัยสมีเงินคำทรัพย์สมบัติพวกเราก็จะให้ขาดตกบกพ่อง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 ทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งจนถึงจิตเน้วแน่สงบเห็นจิตใจของตัวเองเข้าสู่ฐานแห่งความสงบแล้วนั่นละความเชื่อมั่นในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจา้าไม่ต้องถามใครตัวเองเป็นผู้รับรดพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นผู้เชื่อมั่นถอนไม่ขึ้นแต่ถ้าว่าพวกเราศึกษาแบบ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 ก็ดีรู้แก่ใจของเรามันรู้แก่ใจอันนี้คือสัมผัสทางบาปอันนี้สัมผัสทางบุญบุญเป็นความสุขความเย็นใจส่วนบาปนั้นคืออกุศลนั้นคือเป็นไฟคือความร้อนร้อนเร่าในจิตใจเพราะฉะนั้นจะทํายังไงทั้งสองอย่างนี่ทํำยังไงมันเป็นบาปถึงจะทําให้ร้อนทํำยังไงจึงจะเป็นบุญทําให้เย็นนี่หลักคาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้ว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 สัางคุณนำความดีไปที่ไหนมีแต่ให้ความผ่อมเย็นเป็นสุขสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ใช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองไปที่ไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขไม่มีโทษทํากรรมดีนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่มีจริงอันนี้ก็ต้องพิสูจน์ด้วยหลักปฏิบัติพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เชื่อแบบหลวงพ่อพูดอย่างนี้หรืออาจารย์อาตมาพูดอย่างเนี้ย่ท่านก็ไม่ให้เชื่อเลยนะต้องให้พิสูจน์ซะก่อน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 นั่งจากนี้ทำกายให้ตรงขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงหลับตาดารงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธอันนี้คือกายกรรมในการกระทำทางกายจากนั้นวจีกรรมหยุดพูดไม่ต้องพูดในขณะที่นั่งภาวนาะมนโนกรรมบริกรรมใจต้องบริกรรมหายใจเข้าพ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 เรียกวรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจแต่ทั้งสองอย่างนี้อาศัยกันอยู่ไม่ได้แยกจากกันถ้าว่านามธรรมแยกออกจากกายร่างกายนั้นก็หมดสภาพตายเนี่ยเพราะว่าใจออกจากร่างแนละ้วเหมือนตะคนออกจากรถอย่างนั้นรถมันก็หยุดมันไปไม่ได้แต่ถ้าว่าคนขับขึ้นไปขับรถ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 สรตวสัตว์ทั้งหลายช้างหมาบกูกควายหมูหมาเป็ดไก่มนุษย์นี่แหละในน้ําก็มีสัตว์ตายอยู่บนภูเขาก็มีสัตว์ตายเพาว่าสัตว์คํานี้มนุษย์ก็คือสัตว์เหมือนกันสัตตะตในพระภูใหญ่ข้องในภพในชาติในวัฏสงสารยังข่องอยู่ในกิเลสราคะโทสะโมหะนี่ว่าสัตตะยังข่องอยู่นะพวกเราทุกคนนะเป็นสัตว์ทั้งหมดยังข่องอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นในภพในชาติถ้าหาว่าท่าน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 แนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนญาติโยบในทุกยุคสมัยนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าดับขันไปแล้วพระอานุน์ก็ยังอยู่เป็นพุทธอุปทาเห็นพระอานุ์ก็ร ะ, ล, ะลึกถึงพระพุทธเจ้ า, ก, า, ากราบไหว้สักการะอุทิในรพระอานนุ์ผลในสุดพระอานุ์ก็ก่อนที่ท่านจะปรินิพานท่านก็มาอยู่ฝั่งแม่น้ําทั้งสองฝั่งคือกรุงกบิลพั์กับเมืองวิเทหะพระอานุ์ก็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 ก็เป็นฝั่งข้างนู้นวิเทหะเป็นเชื่อทางแม่ทางนี้ก็เป็นเชื่อทา ง, ง, งพ่อเป็นเชื่อพระวงศ์ทีนี้ทางนู้นเขาก็บอกว่าท่าน อ, อนุนต้องมาปรินิพานฝั่งเราทางฝ่ายทางนี้ก็บอกท่าน อ, อ น, นุนท่านต้องมาปรินิพานด้วยตายฝั่งเราปีดิภานนก็ดูทั้งสองข้างอทางว่าเราปรินิพานข้างใดข้างหนึ่ง ตายข้างใดข้างหนึ่งต้องเกิดศึกแน่นอนพระนนบอกคือการจะแย่งกระดูกกันว่างั้นลแย่งศีระพระานท์ในพระนนท์ก็ถึงเจดวันแล้วเราจะต้องแบ่งภาคร่างกายให้เป็นสองภาคาจากนั้นพระนนล์ก็ขึ้นสแสดงฤทธ์นั่งอยู่บนอากาศว่างั้นนะสูงสามต้นลำตานจากนั้นพระนนล์ก็เทศนาว่าการบอกว่าชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงแพ้แน่นอน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 เป็นของธรรมดาในการแสดงฤทธิ์แสดงเดชของพระอาหารหันต์ในยุคสมัยนะั้นเป็นของธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าอภินิหารมีอยู่สอิทธิปฏิหารแสดงฤทธิ์ได้อาเทศนาปฏิหารดักใจทายใจได้อนุสาสนีปฏิหารแสดงธรรมเทศนาอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจ ในเหตุและผลที่จะแสดงให้ฟังทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสามนี้พระพุทธเจ้ายกย่องว่านอนุสาสนีปฏิหารประเสรฐกว่าคือพยายามอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจได้อันนี้ประเสรฐกว่าอภินิหารสองอย่างนั้นอภินิหารอันแรกก็คืออิทธิปฏิหารแสดงฤทธิ์ได้ท่านว่าฤาษีชีภัย ในยุคสมัยนั้นแสดงทิฏได้เมื่อเขาอยู่ในป่าภาวนาะเป็นกสินเกิดยานเกิดฌานขึ้นมาทำคนหนึ่งให้เป็นสองคนแสดงทิฏหายหตัวได้เหาะได้มีเป็นของธรรมดาธรรมดามากในยุคสมัยนั้นอันนี้เราอิทธิ ป, ปฏิหารอเทสนาปฏิหารดักใจทายใจได้เมื่อเห็นหน้าแล้วก็มองดูพลายทายแล้วว่าคุณพูดอะไรคุณคิดอะไรคุณจะทาอะไร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 จะเชื่อหรือไม่เชื่อให้ฟังไปก่อนหลวงพ่อเคยไปนั่งเครื่องบินเปรียบเทียบกับอิทธิปฏิหารในยุคสมัยครั้งพระพุทธเจ้าเมื่อลุงพ่อนั่งเครื่องบินเอถ้าหากว่าเครื่องบินนี่นะในยุคสมัยนี้เขาประกอบเครื่องบินบินได้ข้ามทวีปทวีปไปกี่ร้อยกี่หมืน่นกี่แสนใหม่ก็ได้แต่ถ้ า, าว่าต่อไปมีเกิดศึกสงครามฆ่ากันล้างโลก แต่มีคนเขียนประวัติไว้นะบันทึกในถ้ำหรือในที่ไหนไว้ก็ตามนะอย่างหลักศิลาจารึกเนี่ยที่เขาเขียนเอาไว้ก็คนมาแกะอ่านดูเนี่ยในยุคสมัยหนึ่งเมื่อนานมาแล้วคนสมัยนั้นประกอบท่อนเหล็กโลหะต่างๆแล้วมีน้ามันเป็นเชื้อเพลิงแล้วพามนุษย์ไปได้พันกิโล1มื0นกิโลอย่างนี้จะมีคนเชื่อหรือเปล่านอ้อ หลวงพ่อคิดนะคงจะหาคนเชื่อได้ยากเพราะนั่นท่อนเหล็กมันจะขึ้นได้ยังไงมันจะบินได้ยังไงจะใช้น้ำมันอย่างไรแต่มายุคนี้ไม่ใช่ของเหลววิสัยเราเชื่อไหมว่าเขาประกอบอย่างนั้นบินได้มันเชื่อได้ยังไงเพเห็นจริงๆแต่ถ้าว่ามันหมดยุคไปแล้วโรงงานต่างๆมันพังระดีระนาไปหมดแล้วถูกทำลายไปหมดแล้วแต่เห็นแต่หลักศีลาจการลึกไว เขียนในตำราเอาไว้พวกเราจะเชื่อไหมถ้าไม่เชื่อมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าเชื่อก็ไม่เกิดประโยชน์ในยุคนั้นแต่ว่ามันเป็นไปได้แล้วในยุคนี้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเปรียบเทียบกับพระในครั้งพระพุทธเจ้าการแสดงอิทธิฤทธิตนั้นเป็นของธรรมดามากสำหรับพระนยุกสมัยนั้นที่มีบุญญาธิการมีบุญบารมีที่ท่านได้สังสมเอาไว้ที่ท่านเคยเป็นฤาษีชีภัยมาก่อน จากนั้นท่านเข้ามาบวดก็บำเพ็ญตะปะบำเพ็ญญาณทัศนะจนได้สำเร็จมรรคสาเร็จผลการแสดงอิทธิฤทธิ้นั้นเป็นของง่ายมากสำหรับพระหันในยุคนั้นสมัยนั้นแต่ตามไจริงมายุคสมัยนี้จะมีหรือไม่ก็สุดแท้แจที่จะเดาเดาได้ยากเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ท่านจะปวดอ้างได้ไง่ายๆ้าไม่จำเป็นจริงๆนะท่านก็จะไม่ปวด ก็ทำให้พุทธศาสนาเสื่อมลงได้เหมือนกันถ้าว่าท่านองค์ใดมีอิทธิฤทธิ์คนทั้งหลายตะเจเฮโลไปนับถือเลื่อมใสกับท่านแล้วองค์อื่นเขาไม่ให้ข้าวไม่ถวายปัจจัยสี่เพราะพระพุทธเจ้าท่านห้ามไม่ให้แสดงฤทธิ์ในครั้งพระพุทธเจ้าอย่างท่านปินโททรวัชชะท่านหอเหินเดินฟ้าได้คนประมปาพระหันมีไหมในโลกในยุคนี้ถ้ามีก็อยากจะเห็น ท่านปิณโธตรวัตชาก่อนเขาประมาทมากตรงนั้นจ่ะท่านก็เลยเหาะให้เขาดูแสดงอิทธิฤทธิให้เขาดูคนทั้งหลายก็นับถือเริ่มใสเพราะพุทธเจ้าก็บรญยายพี่นายเนีเ่ยบอกว่าปินโธตรวัตชาท่านเป็นพระรหันต์แล้วนะอืท่านปินโธตรวัตช า, า, ชาถ้าเธอแสดงฤทธิ์อย่างนี้คนทั้งหลายนับถือท่านแต่องค์อื่นที่เขาแสดงฤทธิ์ไม่ได้่ที่เขาจะได้ฉันอะไรเขาจะอยู่กินได้อย่างไร คนทั้งหลายมานับถือท่านเอตอติเลกระทับลาบของท่านมากแล้วแล้วท่านเหล่านั้นจะอยู่ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปภิกษุใดก็ตามแสดงอิทธิฤทธิอวดอุตริมนุสธรรมธรรมอันยิ่งของมนุษย์ปรับอวบภิกษุแสดงอิทธิฤทธิได้ปรับอวบทุกกฎวดอุตริมนุสธรรมปรับอวบปลายจิตติเพราะเหตุนั้นหลักของพุทธศาสนามีเหตุมีผลนะ ถ้าเราศึกษาให้ดีแล้วมีเหตุมีผลทุกขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าบัญญัติภาวินัยให้พวกพระสงฆ์องค์พระเจ้าทั้งหลายประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นพวกญาติโยมทุกๆ ท, ท่านที่มารักษาศีลภาวนาในวันนี้ก่อนให้ตังอกตังใจนะในชีวิตของพวกเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้จะจากไปวันไหนมรดังเม l าวิสติให้ภาวนาไว้อยู่เสมอชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่ถึงร้อยปีแน่ๆว่างั้นเดี๋ยวนี้เรามีเท่าไหร่แล้วเพราะนั้นต้องพยายามพยิจารยณ า, าอยู่เสมอคนภาวนาถึงวรณะนุจจติอยู่บ่อยๆเขาจะไม่สะทกสะทานจิตใจจะไม่หวั่นไหวเพราะคิดไปแล้วตั้งความรอบค อ, อบไว้แล้วชีวิตนี้เป็นของไม่เพียงแท้แน่นอนอเพราะนั้นเราก็ต้องทําคุณงามความดีไม่ใช่คิดอย่างนั้นเฉยๆได้พอคิดอย่างนั้นไวแล้วก็ทำคุณงามความดีบัตรสร้างบุญสร้างกุศลอย่าประมาท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 ไม่เชื่อวันทรกสวรรค์มีตายและสูญคนเช่นนั้นอะ่ะงอตายไปแล้วกันนั่นล่ะถ้าว่าไปเจอของทิงเข่าเราจะทํำยังไงเหมือนกับวันเราปฏิเสธรอบอันพุ่งนี้ไม่มีเนี่ยวันพรุ่งนี้ไม่มีถ้าวันพุ่งนี้มีเราจะทํำยังไงถ้าว่าคนที่เตรียมพร้อมด้วยความไม่ประมาทถึงจะมีหรือไม่มีก็ตามเพราะยังไม่ถึงเราก็เตรียมตัวเอาไว้เตรียมเงินเอาไว้เตรียมอาชีพเงี้ยเอาไวถาไ้ถ้ามันไม่มีล่ะถ้าไม่มีเขาไม่เป็นไรก็ทิ้งซะ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 อดีตอนาคตทุกอย่างพระพุทธองค์บอกว่าโมกคลาสมควรตายเพราะเหตุไรเพราะ อ, อดีตชาติพระโมกคลาฆ่าพ่อฆ่าแม่เพราะนั้นจากฆ่าแล้วพระโมกคลาถูกฆ่ามาเป็นลําดับลําดับลําดับจนถึงชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของโมกคลาจะเข้าสู่ปรินิพานกรรมเก่าที่ได้ทำมาแล้รก็ เ, เช็คบินคืนอีกอย่างเก่าอย่านั้น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 เดินวิปัสนาพิจารณาแยกแยะดูกายกับใจอย่างที่หลวงพ่อพูดทงกายเป็นยังไงใจเป็นยังไง ร, รูปธรรมเป็นยังไงนามธรรมเป็นยังไงท่านได้ให้มองเห็นทั้งรูปธรรมรูปธรรมนี่ยคืออะไรคือร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายขาสองแขน 2, สองศีรษะหนึ่งร่างกายของพวกเราตั้งแต่หัวจนเท้าในร่างกายไม่มีอะไรบ้างให้ดูให้กําหนดดูให้พิจารณาดู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 เนี่ยมนุษย์ของเราเป็นอย่างนั้นใจไหมไม่มีใครปฏิเสธได้จะพิจารณาหรือไม่พิจารณาก็เป็นไปอย่างนั้นอันนี้คือร่างกายของมนุษย์ชาติที่พวกเราเผากันอยู่ตายกันอยู่แต่ละวันแต่พวกเราอยู่นี่เหมือนคือคนไม่ตายแต่พวกเราไปอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหขนเข้าวันหนึ่งไม่รู้กี่ศพกี่เมนถ้าวัดใหญ่ๆเพราะนั้นเรื่องความตายเนี่ยไม่ได้เลือกใครทั้งหมดนะเพราะนั้นท่านจึงให้พิจารณาถึง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 ไม่ได้คืนเข้าไปในลำไส้ลำไส้ก็ไม่ย่อยคนนั้นจะมีกําลังมาได้อย่างไรไม่มีกาลังเพราะเหตุใดเพราะว่าไม่ได้คืนอาหารเข้าไปในท้องถ้าคืนเข้าไปในท้องทีนี้มันย่อยอาหารถึงเนี่ร่างกายจะแข็งแรงอันนี้ก็เหมือนกันทางหมอเราเรียนปริยัติอย่างเดียวมันเราไม่ได้ปฏิบัติกับลักษณะอย่างนั้น่ะเพราะฉนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษา